แถวนี้ผีดุภวาผีพงกินรบเด็กสวัสดีครับทีมงานแถวนี้ผีดุผมชื่อใหญ่อยากจะมาถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์จริงที่ได้พบเจอกับตนเองเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่ปู่ย่าตาทวดเล่าให้ฟังแต่ก็ไม่เคยคิดว่าชาตินี้ตัวเองจะได้พบเจอกับผีประเภทนี้ที่เรียกกันว่าผีพง แม้ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานกว่า20ปีแล้วก็ตามแต่ก็ยังถือว่าเป็นยุคสมัยที่มีไฟฟ้าใช้แล้วมีคอมพิวเตอร์มีโทรทัศน์แล้วนับได้ว่าเป็นยุคใหม่แต่เรื่องผีๆก็ยังมีทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะผีที่เราไม่เคยคาดคิดว่ายุคนี้มันจะยังมีอยู่นั่นก็คือผีโพงบ้านของผมซึ่งอยู่จังหวัดทางภาคอีสานเป็นบ้านไม้หลังใหญ่พอสมควรเพราะอยู่กันหลายคนใต้ถุนยกสูงแต่ทว่า ในหมู่บ้านนั้นก็ยังห่างไกลจากตัวเมืองอยู่เป็นร้อยกิโลแม้จะไม่เจริญมากนะักแต่ก็ถือว่าไม่ได้พัฒนาเสียทีเดียวเพราะไฟฟ้ายังเข้าถึงแต่เรื่องความเชื่อโบราณก็ยังมีให้เห็นตลอดเช่นการอยู่ไฟสําหรับแม่ลูกอ่อนที่เพิ่งคลอดลูกเพื่อให้มดลูกกลับเข้าอู่โดยเร็วและเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้หากใครที่ไม่ได้อยู่ไฟมักจะเจ็บป่วยหลังจากคลอดคนโบราณจึงถือเรื่องนี้มากเช่นเดียวกับน้องสาวของผม เมื่อเธอคลอดลูกแล้วก็ต้องอยู่ไฟเช่นกันแต่การคลอดของเธอไม่ได้คลอดที่โรงพยาบาลเธอคลอดที่บ้านและด้วยความที่อยู่ไกลจากตัวเมืองมากมีแต่หมออนามัยใกล้ๆที่เข้ามาทำคลอดให้พวกรกเด็กตากับยายได้สั่งให้พ่อเอารกไปฝังไว้หน้าบ้านใต้ต้นมะขามวันนั้นเป็นวันที่พวกเราทั้งบ้านดีใจมากเพราะได้หลานผู้ชายร่างกายของเด็กแข็งแรงดีแต่ด้วยความที่เป็นบ้านไม้แบบโบราณ มีชานที่ทำออกมาด้านหลังบ้านต่อจากห้องครัวเพื่อให้น้องสาวอาบน้ำตรงนั้นน้ำที่อาบเป็นน้ำอุ่นผสมน้าต้มสมุนไพรต่างๆที่ตายายได้ต้มไว้ให้และเป็นธรรมดาที่เมื่อคนคลอดลูกก็ต้องมีชาวบ้านมาเยี่ยมเยียนมาแสดงความยินดีตั้งแต่เช้ายันดึกกว่าจะได้นอนก็เกือบจะเที่ยงคืนน้องสาวของผมจะนอนบนแคร่ไม้ที่นามาตั้งไว้บนบ้านเป็นชานกว้างๆใกล้กับห้องครัวส่วนใต้แคร่ก็จะเป็นเตาถ่าน ใส่ไฟไว้อ่อนๆส่วนตัวผมน้องเขยพ่อแม่ตายายก็นอนเฝ้าอยู่บริเวณนั้นทุกคนต่างก็นอนหลับกันหมดแล้วเหลือแต่ผมคนเดียวที่คอยตรวจตราฟืนไฟและทุกสิ่งอย่างอยู่เมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วผมก็ปิดไฟดวงสุดท้ายเหลือแต่เพียงแสงสว่างจากไฟใต้แค่เท่านั้นแต่ไม่ทันที่ผมจะนอนก็ได้ยินเสียงลูกหมาที่เก็บมาเลี้ยงไม่กี่วันมันเห่าขึ้นมาบริเวณชานอาบน้าติด ก, กับห้องครัว ซึ่งตรงนั้นจะเป็นที่โลง่งตอนแรกผมเข้าใจว่ามันอาจจะเห่าแมวหรือเปล่าเพราะแมวชอบอาหากินเศษอาหารตอนดึกๆจึงไม่ได้ออกไปดูสักพักหมาก็เห่าอีกแต่เห่าในลนักษณะขูผมจึงเดิอนออกไปดูตรงชานอาบน้ําพร้อมกับส่องไฟฉายดูรอบๆ บ, บ้านแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรจึงปิดไฟฉายแต่หมาก็ยังเห่าอยู่จากใต้ชานอาบน้ําผมจึงลงบันไดไปดูแต่ไม่ทันที่จะส่องไฟฉายเข้าไป ก็เห็นแสงบางอย่างสีส้มอมแดงหยดย้อยเป็นทางคล้ายๆกับแสงของหิ่งห้อยเป็นกลุ่มผมชะงักไป น, นิดนึงแต่ตอนแรกก็เข้าใจว่ามันเป็นหิ่งห้อยหรือเปล่าจึงยืนดูอยู่สักพักโดยที่ยังไม่ทันได้ส่องไฟฉายแสงนั้นก็เริ่มเคลื่อนที่ไปรอบๆใต้ถุนตรงที่เป็นชานอาบน้ําซึ่งตรงนั้นเป็นพื้นที่แฉะมีแต่สิ่งสโปรกโดยเฉพาะน้องสาวที่เพิ่งคลอดลูกซึ่งมีน้ําคาวต่างๆจากร่างกายไหลลงกลุ่มดวงไฟขนาดเล็กที่เห็น เหมือนจะสูงบ้างต่ำบ้างคล้ายกับคนที่นั่งแล้วลุกบ่อยๆด้วยความสงสัยว่ามันคือสิ่งใดผมจึงตัดสินใจเปิดไฟฉายส่องไปดูปรากฏว่าเห็นหญิงชาราผมงอกขาวโพลนเต็มหัวมวยผมขึ้นนุ่งผ้าถุงสีดำสวมเสื้อคอกระเช้าสีขาวหันมาทางแสงไฟที่ผมส่องไปในตาสีขาวขุ่นมัวรูจมูกทั้งสองข้างมีแสงบางอย่างหยดย้อยออกมาเป็นทางเมื่อเขาเห็นผม ก็รีบเดินหนีไปในความมืดอย่างรวดเร็วเจ้าหมาตัวเล็กก็เห่าและวิ่งตามไปติดๆผมรู้สึกช็อกกับสิ่งที่เห็นขนลุกเกลียวตั้งแต่หัวจรดเท้าได้แต่ยืนนิ่งเพื่อเรียกสติตัวเองกลับคืนมาเพราะรู้ว่ามันคือผีโพงในตำนานที่ตายายเคยเล่าให้ฟังที่สำคัญผมจำหน้าได้คร่าวว่าเป็นคนแถวบ้านแต่คนละคุ้มกันซึ่งผมเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้หลายปีว่ายายคนนี้เป็นผีโพง แต่ด้วยความที่ยังเป็นวัยรุ่นตอนนั้นจึงยังไม่เชื่อคิดว่าแกโดนใส่ร้ายแต่พอเห็นก well> ับตาถึงกับพูดอะไรไม่ออกเมื่อผมได้สติก็รีบขึ้นบนเรือนและเปิดไฟทันทีน้องสาวและคนอื่นๆก็ถามว่าหมาเห่าอะไรตัวผมจึงเล่าเรื่องนี้ให้กับคนในครอบครัวฟังทั้งหมดโดยเฉพาะตากับยายที่แก่มากแล้วท่านบอกว่าถ้ามีแม่ลูกอ่อนที่ไหนผีโพงก็มักจะมาป้วนเปี้ยนเพื่อหากินน้าคาวต่างๆของแม่ลูกอ่อน น้องสาวผมได้ยินดังนั้นจึงเกิดความกลัวเป็นอย่างมากแต่ตากับยายบอกว่าไม่ต้องกลัวเพราะมันจะไม่มาทำร้ายเราหากเราไม่ไปทำร้ายมันก่อนมันแค่มาหากินอาหารแล้วก็ไปเท่านั้นเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผมต้องเปิดไฟไว้ทุกคืนโดยเฉพาะห้องครัวและหน้าบ้านเพราะไม่ใช่แต่น้องสาวผมเท่านั้นที่กลัวทุกคนในบ้านก็กลัวเหมือนกันจึงหาพระมาห้อยคอไว้คนละองค์ยกเว้นตากับยายที่เห็นผีโพงมานักต่อ น, นักแล้ว จึงไม่ได้กลัวมากเท่าไร่แต่จากนั้นมาหลายวันเหตุการณ์ก็ยังเป็นปกติแต่ในวันหนึ่งซึ่งเป็นวันพระผมดันมาปวดฉี่ตอนดึกเพราะก่อนนอนกินน้ําไปเยอะหน่อยจึงลุกขึ้นมาเพื่อจะไปปลดทุกหน้าบ้านใต้ต้นมะขามผมจึงรีบเดินลงบันไดไปเท้าเปล่าเพราะปวดฉี่มากจึงไม่ได้สวมรองเท้าแสงจากไฟนิออนที่เปิดไว้หน้าบ้านส่องสว่างไปยังหน้าใต้ต้นมะขามที่ตากับยายได้ฝังโรคเด็กไว้ตรงนั้น เมื่อผมกำลังเดินไปก็ชะงักอีกครั้งเมื่อเห็นแสงบางอย่างใต้ต้นมะขามหยดย้อยไหลเป็นทางสีขาวของผมงอกทาให้เห็นว่านั่นเป็นผีโพงตนเดียวกับที่ผมเจอในคืนนั้นกำลังคุยเขี่ยอะไรบางอย่างออกมาจากพื้นดินซึ่งแน่นอนว่ามันคือรกเด็กมันกำลังหยิบรกเด็กที่ทั้งเหม็นทั้งสกปรกใส่ปากอย่างมูมามผมเห็นดังนั้นก็คลื่นไส้เหมือนจะอาเจียนแล้วก็รีบวิ่งปรีขึ้นบ้านทันที รีบปลุกทุกคนขึ้นมาแล้วเล่าว่าเจอผีพงที่หน้าบ้านทุกคนต่างก็ออกไปดูแต่ปรากฏว่าไม่เห็นผีพงตนนั้นแล้วพอตอนเช้าจึงพากันไปดูใต้ต้นมะขามปรากฏว่ามีรอยคุ้ยเขี่ยหน้าดินออกมาแล้วก็ไม่พบรกเด็กแล้วเพราะเท่าที่ผมเห็นเมื่อคือนคือมันกินไปแล้วนั่นเองและพ่อก็บอกด้วยว่าวันนั้นฝังโรกเด็กไวตรงนี้ตามคาสั่งของตากับยายก็จริงแต่ฝังไวไม่ลึกเท่าที่ควร ทำให้ผีโพงได้กลิ่น้าวและมาหาคุยเคียไปกินเป็นอาหารตากับยายเล่าให้ฟังว่ายายแก่ๆคนนี้เป็นผีโพงมานานแล้วคนแถวบ้านก็รู้จักกันดีแต่แกไม่ได้ออกมากินอาหารแบบนี้มานานแล้วเพราะมีอาการป่วยผอมซีดหมดเรี่ยวหมดแรงอยู่เสมอๆ เ, เพิ่งจะมาเกิดผีโพงสำแดงฤทธิ์อีกครั้งก็ตอนนี้นี่เองซึ่งตากับยายเล่า ว, ว่าสมัยก่อนนั้นบรรพบุพ ร, บรุษของยายคนนี้ เคยเล่นของพวกสายสตร์แต่ปรากฏว่าควบคุมวิชาไม่ได้ของก็เลยเข้าตัวทำให้เป็นผีพงและสืบทอดมาหายายคนนี้ทำให้แกต้องกลายเป็นผีพงซึ่งในครอบครัวของแกก็รู้กันดีแต่ไม่มีใครห้ามได้แม้แต่ตัวแกเองเพราะวันดีคืนดีก็จะออกมาหากินโดยไม่รู้ตัวเนื่องจากจิตวิญญาณผีพงเข้าสิงตากับยายเล่าว่าสมัยก่อนนั้นตอนกลางคืน ผู้คนมักจะไปหากบเขียดกันตามท้องนาเพื่อ น, นำมาตากแห้งไว้กินในครอบครัวก็มักจะเห็นผีโพงไปหากบหาเขียดกินเช่นกันเมื่อทุกคนเห็นก็จะหนีเพราะความกลัวบางคนที่ผีโพงเข้าสิงก็จะไม่รู้ตัวว่าออกมาหากินของดิบของขาวเมื่อจิตวิญญาณผีโพงได้เสพของคาวอิ่มแล้วออกไปจากร่างคนคนนั้นก็จะกลายเป็นคนปกติแต่ร่างกายก็จะสู้ผอมไม่มีเรี่ยวแรงและค่อยๆตายไปในที่สุด คนสมัยก่อนจะทําการปราบผีพงด้วยมีดหมอบ้างหรือบางคนที่เก่งกล้าในวิชามากๆก็จะไล่คาถาไลผ่ผีและพ่นน้ำลายใส่ผีพงผีพงกลัวอาคมก็จะวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนสำหรับเรื่องของยายแก่คนนี้ที่เป็นผีพงนับจากนั้นมาเป็นเวลาหลายปีเรื่องของแกก็เงียบหายไปกับร่างกายที่ย่าแย่แล้วสุดท้ายแกก็ตายด้วยอาการหน้ามืดเป็นลม ซึ่งปัจจุบันลูกหลานของแกก็ไม่มีใครสืบทอดเป็นผีโพงอีกเลยแล้วพวกคุณละ่ะเคยได้ยินหรือได้เห็นผีโพงกันบ้างไห ม, ไมหากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ